และก็วันนี้พ่อ แล้วก็สําหรับวันนี้พ่อ แว่ตอนเย็นลงไปรับ เราถ้ามันสามารถจะงับได้มันก็งับเราตายไปแล้วในป่าเสือป่าตะเค้ มีจิตน้อมไปในมหากุศลคน ซึ่งเขาคิดว่าเราเป็นศัตรู แต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่าทุกท่านให้ความ โลกึกแต่ว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังไม่พร้อมนั้นราย ในช่วงนี้ก็ เขาคุยกันถึงเรื่อง ไม่ใช่คนจังหวัดสระบุรีเสียงๆแต่พอ อาการอย่างนี้เป็นอาการปกติย้อย สองฝ่ายทางของเราเต็มไป ฐานะที่เขาใช้ทอด ตอนนี้เป็นระยะที่มีทางแคบนี้เป็นระยะที่มี และพระอริยเจ้าทั้งหมดพระอริยะเจ้าทั้งหมด เคยบุรีนี่ตำรวจเคยเสียชีวิตเป็นคันคันรถและก็เป็นจุดที่มีกำลังสำคัญเคยปะทะกับเจ้าหน้าที่แถวนี้ทั้งหมดย่อทั้งถึงสักใต้พ่อเคยมาแจกพระยันต์มหาพิชัยสงครามเป็นการป้องกันกำลังตำรวจทหารด้วยอำนาจพระพุทธบารมีแต่ความจริงถ้าหากว่า บุคคลใดเค้ามีความ เขารู้จักกันน้อยโดยเฉพาะ แต่ผลแห่งการให้มันเขา แผนนั้นเป็นจุดเพราะกําลังขนฝ่าย สำหรับเขาที่เมื่อเราเป็นศัตรูสำหรับ ในช่วงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่ง ให้ปลอดภัยปลอดภัยขอย้อนกลับไปจังหวัดกระบี่ ลงที่ภูเก็ตถ้าท่านหม่อมๆ ไปตรังไปพัทลุงไปจังหวัดสงขลาชาว แต่ว่าถ้าเราจะถามๆลูก ลองไปถึงในจังหวัดยะลา มั่นในในปสนาที่จะ รองกันค้ํา 100 คน ต้องใช้เวลาประมาณสักทั้ง เป็นเกาะที่พระบาทสมเด็จเจ้าหัว 3 ท่านมีศีลบริสุทธิ์ 3 ทาง เราว่าจังหวัดกระบี่เมื่อเราแวะกับ 18:19 น. เข้าเขตพังงานะ น. 11:30 เข น. พ่อก็แวะเข้าที่ตลาด ถ้าสนใจนั้นจะคิดว่าเขา ท่านสนใจสนใจถ้านี่เป็นอันว่าทุกคนท่านสนใจสนใจ 15 เนื่องเอพ่ออย่างยิ่ง พอไปถึงเขาก็มาหาพ่อ ท่านเจ้าสัวเจ้าสัวของเราก็ เมื่อท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ได้เรือแล้วก็ 18 ใช้ เมื่อโรงเรือด้วยความสิ้น ถ้าท่านผู้นั้นท่านเกิดมาท่าน ความจริงก็สร้างสวยท่าเรือคนดี มาลีไปถามคนหนึ่งแกมีลูกเป็นสามคนมีลูกก็มีลูกน้อย อันแดงว่าพ่อแก่ขยันเออ 13 แต่โรงเรียนของเขาก็สวยก็มีความ หาดทรายที่นี่แห้งเห็นชัดโคติที่ แล้วที่ท่านบอกว่าทะเลงอกจะเป็นหน้าที่ไป คนนองชัยคนท่านฉัพพรรณรสีท่าน พระพุทธเจ้าก็ทรงมาโปรดรู้ เวลาที่บันทึก